ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจนปัญญาตรงที่จนปัญญานั่นแหละดีสู้เต็มที่แล้วก็จนปัญญานะไม่ใช่อยู่ๆพอฟังหลวงพ่อพูดแล้วอะฉันจนปัญญาแล้วอย่างนี้กรรมฐานตอหลดตอนแห ล, ลใช้ไม่ได้นะเนี่ยใจเรามันอดไม่ได้ไมันต้องสู้เสู้สู้สู้จนกระทั่งโอ้ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วถ้าเมื่อไรใจหมดแรงสู้นะใจยอม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 พอหลวงพ่อบอกสี่คนนีดีปุ๊บออ๊ยลุกขึ้นมาดิ้นเลยครับหลวงพ่อบอกด้วยเจตนามันก<ม>็ก <จะ S 1> ่ะแล้วโดนแกล้งแน่นอนเลยเลุกขึ้นมาดิ้นอย่างไรแบบไม่ยอมหยุดจนฟังหลวงพ่อเทไปเรื่อยๆนะคมันก็ค่อยๆลงอนั่นแหละดีจงใจนะจงใจบอกว่าสี่คนดีขอบคุณรบดีแล้วจะเอาไว้ดูไม่งั้นมันซึมไป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 คือถ้าเป็นกลางอย่างแท้จริงนะจิตจะไม่สร้างพบสร้างชาติคือไม่กระทํากรรมใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตกระทํากรรมขึ้นมาได้ก็แสดงว่าต้องมีตันหาแทรกอยู่ต้องมียินดียินลายแทรกเหมือนแต่มันไม่ค่อยดิน้นใช่ไหมเมนีมันไม่เคยดิน้นไม่ดิ้นดีแต่ว่าไม่ดิน้นไม่เหมือนกันนี่ไม่ดิ้นเพราะหมดแรงดิน้นหมดแรงดิ้นชั่วคราวนะเดี๋ยวก็จะเริ่มดิ้นขึ้นมาอีกมอนต้องสู้อย่างนั้นแหละ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 ร่างกายเคลืคล่อนไหว ร, ไรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกจิตหนีไปคิดรู้สึกมื่จิตนี้ไปคิดรู้สึกในีหลวงพ่อเตียนบอกได้ต้นทางการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติทําไมได้ต้นทางเพราะจิตจะตื่นขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดนั่คือจิตมันฝันไปนั่นเองไปอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติเมื่อจิตไปอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติจิตไม่สามารถรู้กายรู้ใจที่เป็นอารมณ์ปรามัต a t ได้ แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตก็จะหลุดออกจากความคิดในฉับรันนั้นเลยเพราะสติมันเกิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ว่าจิตคิดรู้เรื่องที่คิดนี่ไม่น่าอาัศจรรย์หมามันคิดมันก็รู้เรื่องที่คิดไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่ถ้าจิตเราแอบไปคิดเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดปั๊บเนี่ยสติตัวจริงๆจะเกิดใจจะเกิดสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติในฉับลันนั้นเลย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 คือถ้ายังไงเราก็ดูนะถ้าเราปฏิบัติเพื่อเอาเนี่ยใจมันจะเล่าร้อนมันจะเล่าร้อนมันจะดิ้นรนมันจะปรุงแต่งเนว่ามันมีกูกรุ จ, จัสมีกิเลสอีกตัวนะมันเล่าร้อนใจเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้อะไรให้เรารู้ทันลงไปอีกเขาบอกให้ก็ดีละก็ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบท่านเห็นว่าสมควรหลวงพ่อเห็นว่าสมควรยังไงก็ โขสับได้ตามอเมันต้องอย่างนี้สิจะได้ใจถึงจะงงได้เห็นนะความจริงครับไม่ค่อยอยากได้คำปลอบเท่าไหร่ขนาดนี้รู้สึกไหมจิตเราสร้างพบอันหนึ่งอยู่เราไม่ใช่จิตมนุษย์ธรรมดามันมีความสว่างมีความนิ่งมีความเนียนเนีย น, นรู้สึกไหมคือเวลาเข้ามาในนี้จะบางทีก็จะนิ่งผิดปกติบางทีไปอยู่ข้างนอกก็จะมีคนพักเหมือนกันว่าแบบ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 บอกเอ๊ะจิตระเบิกบานอยู่นะมันอย่างนั้นแล้วครับตอนนั้นก็เออเอ๊ะทําไมก็เขาดูไม่เป็นหรือบางทีเราอยู่กับความสงบแล้วบอกว่าเป็นอะไรอ่ะดูซึมเซ็งเลยชีวิตคงมีปัญหามาก <c oughs> ยาวคํ า, าคพูดแบบนั้นมาเป็นนิยายหนะ้าตอนนี้นี่ยังโอเคใช่ไหมครับตามความจริงแ ต, แต่ขนานี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหม ขณะนี้ลดระดับลงมาสู่ความเป็นธรรมดามากขึ้นแต่ความผ่องใสลดลงดู อ, ออกไหม mm hmm. ไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงไป <Okay. S 1> ที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะอะไปทําอะไรแปลงๆนะไม mm hmm. ่ใช่ใครพูดอะไรก็เชื่อไปเรื่อยๆครับอ่ะไปครับเอาคนนี้บอกให้ก่อนคนนี้ก็พอนาใช้ได้เ mm hmm. นี่ยคนนู้นะใช้ได้ทั้งแถวเลย mm hmm. หัดไปดูกิเลสตัวเองนะ รู้จักโกรธไหมรู้จักค่ะเอรู้จักโลภไหมรู้จักค่ะเอรู้จักใจลอยไหมค่ะรู้จักฟุ้งซ่านไหมค่ะหดหูเป็นไหมเป็นค่ะอิจฉาเป็นป่ะเป็นค่ะนั่นแหละไปหัดดูในปัจจุบันนี้อะไรกําลังปรากฏอยู่รู้ไปเรื่อยเรืรู้บ่อยๆนะส่วนของคุณเน่ะฝึกกันเดียวคุณเบอร์สี่สิบสองเผลอไปแล้วรู้ฝึกกันเดียวพอนะอันอื่นเป็นของแถมตัวหลักเลยก็คือจิตเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรฝึกกันเดียวพอ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 แกล้มคลุมเนี่ยทาไปด้วยทิฏฐิน ะ, ะมีความเห็นว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้รู้สึกไหมครูบาอาจารย์บางทีท่านหัวเราะนะบางทีหัวเราะหลอกเรานะหลวงพ่อเคยเจอทีหนึ่งเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจานบุญจันทร์นะโอ้โหจิตนี่เปลียวสุดๆองหนึ่งเลยไม่รู้จักท่านหรอก ไ, ไปหาอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมเรไปถึงนะค่ำแล้วสักสองทุ่มแนละ้วมีพระมาดักอยู่หน้าวัด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 แก้กรรมาฐานให้เราไม่รู้จักเลยนะอยู่เรียกตัวแไปเสร็จแล้วพอเราเข้าใจนะจิตวางหลุดพับออกมาท่านหัวเราะนะแต่ท่านหัวเรานะา เ, ราเราก็หัวเราะบ้างสิพอท่านไม่หัวเราะท่านสำรวมเราก็ทำสำรวมบ้างาท่านหัวเราะเราก็ฮ่าฮ่าตามท่านไปเลยนะท่านหัวเราะดังเลยนะหัวเราะฮ่าฮเลยพอเราหัวเราะปุ๊บนะหันมามองหน้าเลยเราก็หยุดปบใจเราก็เรียบไม่มีอะไรไม่ได้กระเพิ่มเลย ฉันบอกอย่างนี้ใช้ได้ไปได้ละแกล้งหัวล้อนะหัวล้อเพื่ออันุเคราะห์แล้วไงอีกจะถามแต่เรื่องนี้นะในหลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อแนะนำเรื่องอืง่นลอกเปลือกตัวเองเออกมาให้ตัวจริงมันโผล่ขึ้นมาถือศีลห้าไว้ช่วงหลังๆพอศึกมาหลายวันเนี่ยเริ่มมีตัวปลอมเป็นผู้นำหมู่ผู้นำคณะต้องสำรวมเรียบร้อยเป็นลิงไปเลย